สร้างความเคยชินแบบใหม่คือเคยชินที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการกระทำในการดำเนินชีวิตของเราเยพยายามทำกันให้ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถ ม, มันอาจจะหลงลืมสติไปบ้างก็ไม่เป็นไรถัว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียด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 ไม่ยากผมบอกแล้วไม่ยากมันยากที่ความคิดของเราต่างหากเราลองทำดูดเมื่อมันหลงไปเราก็รู้มันไม่หลงเราก็รู้ให้มันต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้ขอให้เราทำตัวของเราเนี่ยช้าลงสักหน่อ ย, ยตัดจังหวะชีวิตสักนิดนึงคือช้าลงสักหน่อย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 หยุดสักนิดหนึ่งแล้วก็คยยิบเวลาเราจะเปิดประตูเนี่ยเดินไปถึงประตูแล้วเนี่ยก่อนจะเปิดหยุดสักนิดหนึ่งแล้วก็จับลูกปิดเปิดประตูเวลาเราเดินไปก็ตามเราลองเดินแบบรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่การเดินบ้างอย่ามุ่งแต่จะถึงอย่างเดียว ส่วมาเราไม่ได้ทําหน้าที่เดินพอเดินใจเราก็คิดว่าจะถึงเมื่อไหร่มองไปข้างหน้ามองแต่อนาคตเราลืมปัจจุบันนะรที่เรากำลังก้าวเดินเราลองช้าสักนิดหนึง่งมารู้อาการของการก้าวเดินอยู่ปัจจุบันอยู่การเดินเดินเพื่อจะเดินทาหน้าที่เดินเดี๋ยวเมื่อถึ ง, งทาช้าสักนิดหนึง่งแล้วก็ ให้สติมันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบเป็นจังหวะจังหวะนี้ก็อาจจะเกื้อกูลต่อการมีสติได้ง่ายๆการเคลื่อนที่การจับจุ้ยสิ่งของเนี่ยทำเป็นจังหวะสักนิดหนึ่งจังหวะที่มันหยุดแล้วก็เคลื่อนนี่แหละทำให้สติมันเกิดได้ง่ายก่อนจะทำก็ดีให้หยุดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยทา ก่อนจะพูดให้หยุดสักนิดหนึง่งเพื่สติมันเกิดแล้วก็ค่อยพูดไม่กระทั้งก่อนจะคิดหยุดสักนิดหนึง่งแล้วค่อยคิดช่วยจังหวะที่หยุดนี่แหละสติมันจะเกิด น, นี่แหละขอให้เราทําแบบเป็นธรรมชาติอย่าให้ผิดจากธรรมชาติเราเคยทําอะไรเร่งรีบม า, าแล้ว เราลองมาทำช้าๆสักหน่อยการช้าเนี่ยก็ดีนะสติมันจะเกิดง่ายเรามากักจะใช้ควิดแบบรีบร้อนรีบเร่งเราอาจจะรีบได้ในบางโอกาสในบางกรณีแต่เราไม่จะเป็นต้องร้อนก็ได้เรารีบแล้วก็เย็นก็ได้รีบอยู่ข้างนอกเย็นอยู่ข้างในนี่แหละ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 ทำสติปัฏฐานสีให้ต่อเนื่องกันในทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันเนี่ยผลก็คืออย่างช้านะเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดหนึ่งถึงเจ็ดวันจะเป็นพระหลานในชาตินี้แต่ถ้าไม่เป็นพระหลานแล้วก็ เป็นพระอนาคามีซึ่งเป็นพระอริเจ้ารองลงมาวันนี้เป็นวันพระรหับที่11เดือนที่11ถ้าะเป็นวันพระด้วยเราลองมาทำความรู้สึกมีสติให้ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยลองทำดูสิเราอาจจะมีผลถึงขนดาด เป็นพระราคมีหรือเป็นพระอ่านก็ได้นะท่านผู้ฝัง